ที่พระธรรมอยู่ที่ไหนกายกับใจการปฏิบัติธรรมต้องเอาใส่กายกับใจเป็นหลัสกสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีก็เป็นกิริยาของใจทั้งนั้นกายคืออาการสามสิบสองาสี่ขันธ์าอายตนะที่มีอยู่ก็เป็นเครื่องลู่ของใจ คือมันเป็นวัตถุเรียกว่าลูกประธรรมลูกธรรมนี่เป็นเครื่องลูกของใจในเมื่อใจลูทัคนความเป็นจริงของลูกธรรมและลูทันอาการของลูกธรรมสติสัมปชัญญะมันก็ดีขึ้นสติสัมปชัญญะเป็นตัวการ ที่สามารถสะระพับประคองใจของเราให้ดำเนินไปสู่สมาธิในคูมจิตคูมธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรู้กรจมีธรรมของเราให้มันชัดเจนกลายเป็นที่ เป็นเครื่องรู้ของจิตเพราะนี้จิตอ่านกายอ่านอะไระเราจะต้องอ่านไปตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาทีเดียว <c oughs> พอตื่นเช้าขึ้นมาเราจะต้องคิดว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างบางทีเรายังไม่ได้เน้กไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่มันเตือนชไหมล่ะโอ๊มันเกิด มันเกิดอยู่ที่ไหนคนเรานี่เมื่อรับทานแล้วก็ต้องมีการขับถ่ายื่นเข้าวมาทุกมันก็แสดงออกมาให้ปรากฏโกพระอุจาร่าิจปัจสาวะคิดอะไรต่างๆนี่เราลู่ทำแล้วนอกจากนั้นเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างลางหน้าแรงวันละ อาหารให้มันรับทานบ้างละ่ะบางทีเจ็บหัวปวดท้องก็ต้องหายาให้มันรับทานเพื่อรักษาพยาบาลบ้างละ้เรื่องมูลนี่มเนแต่เรื่องที่เราจะต้องศึกษาให้มันรู้ศึกษาธรรมะอย่าไปศึกษาใกลตัวของเราเองแม้แต่พระพุทธเจ้กาก็สอนให้พิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ไม่รู้จะให้พิจารณาลุกไปทําไมใครเกิดมาแล้วก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งนั้นเราวพุทธเจ้าหนีลาไรรับตาบางทีเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ความจริงที่พิจ า, า, ารณาตามเกิดนั้นเพื่อจะให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพราะอะไรอาศัยอำนาจอะไรเป็นที่เกิดกิเลสตัญหาอุปาทานกรรม คือวิบากกรรมที่เราทําเอาไว้นั่นแหละดวที่เลสที่มีอยู่ในจิตของเรานี่เรายังตัดไม่ขาดเมื่อไรมันยังสิงสถิตยอยู่ในจิตใจของเรามันก็บันดาลให้เราไปเกิดแก่เจ็บ ต, ตายไม่รู้จักจบสิ้นนี่คือเหตุปัจจัยของความเกิดเพราะอาศัยความเกิดอย่างเดียวเท่านั้นแหละความแก่มันก็ประดังมาความเจ็บมันก็ประดังเข้ามา ลงผลสุดท้ายเมื่อถห็นอายุขัยก็ต้องสลายตัวสื่อตายเนี่ยทีนี้ที่ให้พิจารณานั้นก็เพื่อจะให้รู้เท่าทันให้รู้จริงไอจิตของเรานี่มันรับรู้สภาพความเป็นจริงรับรู้สภาพความเป็นจริงว่าเรามีเกิดแล้วเราต้องแก่ต้องมีเจ็บ ต, ต้องมีตาย เมื่อจิตยอมรับรู้สภาพความจป็นจริงรู้จริงลงไปว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยใครจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเขาจะต้องเป็นของเขาไปโดยกฎธรรมชาติอย่างนั้นถ้าจิตมันยอมรับลงไปสักอย่างนี้ผู้พิจรณารลูทันแล้วจะไม่มีความรู้สึกตื่นตกใจในเมื่อเหตุตาร์ทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นหายังมีกิเลสอยู่ ยังไม่หมดที่เล็เพราะอาศัยความดีที่เราสามารถพิจรารณารูกทำความเกิดแก่เจ็บตายใจไม่สะดุง้งหรือไม่หวาดหวัน่นต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็แสดงว่าผู้นั้นมีใจเป็นพื้นฐานที่มั่นคงด้วยคุณนธรรมอาหากมันจะเกิดมีการตายขึ้นมาเขาจะต้องทาหดเขายังมีทิเด็อยู่ ยังเชื่อว่าเราจะต้องมาเกิดใหม่อีกอยู่เราจะมีความภูมิใจขึ้นมาว่าดีเหมือนกันตายไปแล้วจะได้ใช้ขาบใชยพบให้มันหมดเสิ้นไปาบารดีเรามีพร้อมแล้วเรามาเกิดใหม่เกิดเข้าใหม่ดีกว่าเก่กาท่านเราอุปชายยะกรงอัตมาอยู่ที่วัดสาปปทุมท่านเจ้าคุณปัญญาพิสาลเถร คือเดิมท่านว่าอาจารย์หนูผู้ของท่านอาจารย์เต่าตอนนั้นเขามาเช็งระเบิดท่า <c oughs> นไม่ยอมลงไปสู่ที่หลบภัยท่านติดตั่งอยู่บนกระสีของท่านนั่นเองตำรวจต้องมาอุ้มเอาพอตำรวจมาอุ้มเอาท่านก็ถามว่าจะเอาท่านไปไหนเขาก็บอกว่าเอาไปหลบภัย ไปที่ไหนเขาบอกว่าเขาจะมาทิ้งระบิดเอา้าถ้าเขาทิ้งระบิดทำมาถูกเราเราตายแล้วเกิดเอาใหม่ดีกว่าท่านว่าอย่างนั้นอันนี้คือท่านผู้ที่มีความมั่นใจในคุณความดีที่ท่านได้บาเพ็ญมาแล้วเพราะฉะนั้นเราทุกคนหรือได้หลายคนทั้งประเทศเนี่ยที่เราต้องวันที่ตกวันครัว คือตัวสารพัดตัวต่อเหตุการของโลกตัวต่อไภัยตนตัวตัวต่อภัของบ้านเมืองอะไรทานองนี้ที่เราต้องกลัวอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเรายังมีความดีหรือยังไม่เชื่อบั่นว่าเรามีความดีพอเพียงที่จะช่วยอุดหนุนวิญญาณของเราให้ไปสู่สุคติได้เพราะฉะนั้นเราจึงกลัว เพราะเรามีความดีพร้อมมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปนรกก็ไม่น่ากลัวอะไรอะไรก็ไม่น่ากลัวทั้งนั้นถ้าเรามั่นใจว่าถ้าเราตายจริงเราจะเกิดต่อใหม่ดีกว่าเหมือนอย่างท่านเจะคุณปัญญาท่านว่ามันก็หมดหมดตัวกันเท่านั้นเองให้ใจสมาบุตรคนเดียวก็กหมดแล้ว ข้าไปในพระบรมมหาราชวังที่ทีการของท่านก็มีพระสงฆ์เจริญระบพุทธามบอนเสร็จแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระปัญญาสงวนเอาถวายพระมัมมีเตสนาพอถวายพระสมมเทสลายจบก็มีการนั่งสมาธิ ดังนั้นวันนี้เราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนั่งสมาธิัูหน่อยดีไหมทางั้นเชิญ <c oughs> แต่เราครั้งที่ได้ไปร่วมพิธีกันดูมันจะไม่เคยเว้นจากการทำสมาธิ <c oughs> เราจะนั่นในโอกาสนี้ ท่าทั้งหลายก็ได้ศึกษาธรรมะตามตำรับตำรามาพอสมควรแล้วก็หลายหลายท่านก็ได้ตั้งใจนั่งปฏิบัติทำสมาธิมามากพอสมควรเหมือนกันดังนั้นณโอกาสนี้ขอเชิญชวนบรรดาท่านทั้งหลายจองกาหนดติดทำสมาธิ ตามแบบที่ตนเคยทำนิชทำนาญมาแล้วจนกำหนดจดจ้องลงที่จิตของตัวเองทำความรู้สึกภายในจิตว่าเราพระเจ้าพระธรรมเราสงฆ์ประทุมต้องอยู่ในจิตของเราแล้ว แล้วก็กำหนดอารมณ์กู้ความใจอะไรก็ได้ที่เราเคยจำนานมาแล้วที่ว่าพระพุทธเจ้าพระทําปร ะ, ระสงประจุมพร้อมลงที่ใจนั้นก็เป็นเหตุว่าพระพุทธเจ้ามาจากธรรมว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้เต่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบาน ผพ้รู้ผู้ตื่นผู้เปิดบางเป็นกิริยาของใจแม้ว่าใครก็ตามมีสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนเองอยู่ตลอดเวลาคือทำความรู้สึกสำนึกในผิดชอบทั่วดีอยู่ในจิตในใจตลอดเวลาผู้นั้นคือว่ามีพุทธะอยู่ในจิต การพยายามประครับประคองความรู้สึกเช่นนั้นเอาไว้ตลอดเวลาไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจากการกําหนดรู้เช่นนั้นผู้นั้นได้ชื่อว่ามีพระธรรมคือการทรงไว้ซึ่งความดีผู้มีสติสัมปชัญญะประครับประคองคือตั้งเจตนาประคองความรู้สึกของตัวเองอยู่ ได้จะว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นมีคุณของประสงค์อยู่ในจิตในใจเราพระเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นกิริยาของใจแหละเป็นคุ ณ, ณธรรมของใจแต่ละอย่างละอย่างเป็นคุ ณ, ณธรรมแต่ละอย่าง่ง บางเกิดขึ้นเป็นเจตสิกประจําจิตของผู้ปฏิบัติทุกคนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าประทับประสงค์จริงอยู่ที่จิตของเราตลอดเวลาถ้าเรามีความมุ่งหมายที่จะปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมสําคัญที่การสํารวมจิตเป็นใหญ่ เราพื้นฐานแห่งความดีความชั่วย่อมเกิดที่จิตใ้าจิตตัวนี้ปราศจากสติเป็นเครื่องคุ้มครองหรือประทับประการเมื่อไหรใดด้า น, นจิตตัวนี้ก็จะต้องมีความเผลอไปเล็กสร้างบาปอกุศลขึ้นใส่ตัวหากมีสติสัมปชัญญะประทับประการอยู่ตลอดเวลา ่าไม่มีโอกาสที่จะเผลอไปสร้างบาทสร้างกรรมขึ้นใส่ตัวเลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตให้มีสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแต่การปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดถึงโดยวิธีการแล้วก็มีหลายแบบหลายอย่างเพราะเพราะกุิเจา้าทรงแสดงธรรม หรือที่แนวทางปฏิบัต้ น, นยอมทรงอนุโลมตามอุปนิสัยของผู้รับฟังหรือผู้ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าไปสำคัญอย่าไปเย็ดวิธีการให้มากให้พยายามกำหนดรู้เหตุผลซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตของเราเอง เห็นอย่างวิธีการปฏิบัติด้วยปริกรรมพุทโธก็ดีกําหนดยุบหนอฟองหนอก็ดีกําหนดลมหายใจเข้าออกสั้นยาวก็ดีหรือกาหนดลงไปในกายจุดใดจุดหนึ่งให้มองเห็นกระดูกชัดเจนก็ดีหรือวิธีการยิ่งนอกเหนือไปกว่านั้นเห็นความเพ่งเอาสุขาหรือเพ่งกสินอะไรต่างๆก็กดี แต่และอย่างละอย่างเป็นอุบายเพื่อทําใจเจ็บให้สงบเป็นสมาธิทั้งนั้นอย่าไปสงสัยหรือทําความลังเหน็ดในสิ่งเหล่านั้นขอให้เย็ดสภาพความเป็นจริงที่จะึงเกิดขึ้นภายในจิตของท่านถ้าพูดถึงว่ามีถีทางที่จิตจะดําเนแรงเข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิ ใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ทำในเมื่อเจตหนุบลงไปเป็นสมาธิแล้วจะต้องอาศัยการดำเนินตามองทางคือมีวิตกวิจารปีติสุกเอกับทรตาจะเดินนอกเหนือไปกว่ า, าจากนี้ไม่ได้สำหรับผู้ที่จะทำสมาธิเพื่อความคำนิดคำนั้น บางครั้งบางคราวผู้ปริกรรมภาวนาอาจจะมีจิตมีอาการวูกลงไปอย่างเร็วแล้วก็ไปสงบนิ่งสว่างอันนี้ท่วงระหว่างวิตุวิจารโดยกระทั่ ง, ทงจิตวิ่งเข้าไปสู่อัตนาสมาธิผู้นั้นมีสติกหนดไม่ทันเป็นลักษณะ ของสมาธิที่เกิดขึ้นอย่างสุกๆเดี๋ยวก็ผู้ปฏิบัตินั้นยังไม่ชำนาญในการทำสมาธิจึงมีอาการวูบวาบแล้วก็วูกลงไปโดยที่ผู้ปฏิบัติกำหนดไม่ทันว่าจิตได้ผ่านอะไรบ้างไ่รู้สึกตัวต่อเมื่อจิตนิ่งสว่างเป็นสมาธิแล้วอันนี้ก็อยู่ในลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิเหมือนกัน แต่หากยังไม่มีความสำ น, นิสำนาญทีนี้บางทีบางท่านบริกรรมภาวนาอาจจะจิตอาจจะไม่เคยสงบเป็นอัปปนาสมาธิสักทีเทียงแต่สงบลงไปเป็นอุปจาระสมาธิคือมีอาการเติมเติมลงไปแล้วกป็สว่าง จิตยังมีความรู้สึกสัมพันธ์กับร่างกายอยู่แล้วก็มีความมุ่งหมายที่จะทำจิตให้ไปถึงอั ป, ปนาสมาธิชนิดที่ได้วกว่าสงบนิ่งลงไปแล้วร่างกายตนตัวไม่ปรากฏในความรู้สึก ท, ทั้งทังที่ทําไม่ได้ก็พยายามที่จะทําอยู่อย่างนั้นเพราะไปหลงเชื่อทําว่า ทองทำจิตให้เป็นอัปปนาสมาธิถ้าหากท่านผู้ใดปฏิบัติแล้วมีภูมิจิตเกิดขึ้นมีลักษณะดังที่ว่าก็ไม่ต้องไปมุ่งหมายที่จะเอาอัปปนาสมาธิพอทำจิตให้สงบเป็นอุปจาระสมาธิบ่อยๆพอที่จะประทับประกองจิตให้น้อมไปสู่แนวทางแห่งการพิจารณาปัจัยรัศ เคยพิจารณาตายและความรู้สึกนอมไปสู่พระไตรลักษณ์ออนิจจังทุกขังอนัตตาได้ตอนี้กำหนดพิจารณาทันทีไม่ต้องไปคอยให้จิตสง บ, บเป็นอัปปนาสมาธิปฏิบัติในทรรนองนี้จะย่อมจัดเกิดผลแก่ผู้ปฏิบัติเหมือนกันถ้าหาต่างว่าเราจะไปคอยให้จิตสง บ, บเป็นอัปปนาสมาธิเสียก่อน เข้าฌานให้มันได้ทำนิชำนานก่อนแล้วจึงจะไปพิจนารณาพระไตรลักษณ์หรือจะยกจิตขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาถ้าเพื่อว่าชั่วชีวิตนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะไม่ตายเปล่าเลยการทันเจตให้สงบเิ่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนาหรือเข้าฌานได้อย่างทำนิชํำนามนนันผลประโยชน์ก็เพียงแค่ให้เกิด ความชานาญในเาาในการเข้าฌ า, านชานาญในการทําสมาธิทําให้เกิดอิจิลิศแต่เหตุผมนั้นยังไม่เพียงพอเพราะท่านอาจารย์เทศท่านว่าจิต ท, ที่เป็นสมาธิอยู่ในฌานนั้นเป็นสมาธิที่หกเพราะจิตเข้าฌานจะต้องเพ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น อาจาร์ที่บอกความรู้ภูมิติดภูมิธรรมย่อมไม่เกิดขึ้นครูบาอาจารย์ท่านก็ยืนยันว่าสมาธิในฌานเป็นสมาธิที่สงกแม้เราโดยหลักท่านก็ยืนยันไม่ว่าถ้าจิตไปติดความสงบในฌานคือขั้นสมถะเท่า น, นั้นอย่างดีก็ให้เกิด อ, อ า, า, มมาริดญยาดตามาทิจะ ทำฤทธิ์ต่างๆได้สามารถที่จะรู้ใจของคนอื่นสามารถที่จะรู้สิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ภายในซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่เหตุผลที่จะเพิงทำให้หมดกิเลสนันยังไม่มีผู้สาเร็จฌานแล้วจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะจิตไม่มีปัญญาลักษณะค้องตามรู้จริงเห็นจริงซึ่งเรียกว่าอาัจ ญ, ญาิ รู้ใจคนอื่นรู้เหตุการณ์ล่วมหน้ารู้เรื่องในอดีตที่ล่วงแล้วมานานๆในลักษณะอย่างนี้ไม่ได้จัดเข้าในลักษณะของปัญญาที่จะเอาตัวรอดจากอำนาจของจิเล็เพราะฉะนั้นสมาธิในฌานจึงเป็นสมาธิที่ไม่สามารถที่จะทำผู้ปฏิบัติให้สำเร็จมรรคนิพพานได้ ถึงจะมีบ้างก็มีจำนวนน้อยแต่สมาธิที่อยู่ในอริยมรรคเพื่อจิตสงบประจุมหลงปลอมที่หรืออริยมรรคประจุมปลอมทจิตนั้นสามารถทำจิตให้ดำรงอยู่ในความมั่นคงใอความเป็นกลางเมื่อจิตมีอริยมรรค เนเจติกษษษษแลก็ประกอบอยู่ที่จิตจิตอยู่ที่อริยมรรคอริยมรรคอยู่ที่จิตจิตเป็นอริยมรรคอริยมรรคเป็นจิตแม้จะอยู่ในระดับสมาธิขั้นอ่อ น, ออ น, ออนจิตจะมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้แล้วไม่คิดถือปล่อยวางไปอาการที่จเจตเสวยอารมณ์ในขณะที่รู้เห็นอะไรขึ้นมานั้นไม่มี คือจิตไม่มีอาการสืมทราบเข้าไปในสิ่งที่รู้นั้นก็ไม่มีความยึดทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่รู้เห็นขึ้นมานั้นเป็นภูมิปัญญาของจิตซึ่งภลูกอริยมรรสูสีสมาธิปัญญ า, าประจุมพร้อมลงแล้วสามารถปฏิวัติดวงจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูงเป็นลำ ด, ำ ด, ำดำับกำลดังซึ่งจิตในลักษณะอย่างนี้ในขั้นต้นจะรู้อะไรก็ตาม สมมติปันเรียกว่ารู้ทำก็แล้วกันอารมณ์ก็คือทำทำก็คืออารมณ์นั่นแหละในมูนอะไรขึ้นมาแล้วในตอนตอน้ตนยังจะมีสมมติบัญญัติเรียกกันได้ว่าอะไรอยู่ในตอนนี้เป็นภูมิความรู้ของจิตซึ่งอยู่ในลักษณะในคัตของอุปจารสมาธิอ่อนๆซึ่งมันนายจะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติ ในขณะที่จิตสงบลงไปแล้วความรู้สึกในภายนอกก็ยังมีอยู่แต่จิตอยู่ในลักษณะแห่งความสงบแล้วก็มีภูมิจิตภูมิธรรมเกิดขึ้นดับไปอตลอดเวลาแม้ในบางครั้งจะพูดอยู่หรือทำอะไรอยู่ก็ตามลักษณะของความสงบของจิตมันมีอยู่ภูมิโลกสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าสามารถที่จะพูดจะคุยสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ในขนาดนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นภูมิจิตที่มีอริยมรรคมร้อมหลงทิ่งอีาหากในขณะท่านผู้ปฏิบัติที่มีภูมิจิตมีลักษณะอย่างนั้นเมื่อทำสมาธิให้สงบละเอียดลงไปเมื่อทำในขณะที่ปราศจากสิ่งลบปวนเช่นนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระคนเดียวเป็นต้น เมื่อจิตสงบลงไปอย่างละเอียดแล้วเมื่อเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาภายในจิตนั้นพวกสิ่งพวกอย่างจะปรากฏการมีลักษณะว่าจิตสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยใะสิ่งที่ให้รู้ก็มีปรากฏการเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ความรู้ในขั้นละเอียดนั้นไม่มีอะไรที่จะไปมีความสำคัญบันหมายสมมติปัญญาตเรียกชื่อสิ่งนั้นว่าอะไร อันนี้เป็นธรรมชาติของกูุ่จิตกลุ่มธรรมที่เกิดขึ้นในระดับสูงระดับละเอียดซึ่งอยู่เหนือสมมติบัญญตัติซึ่งเราเรียกว่าสัจธรรมบังเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติตัวจิตของท่านตูนั้นก็เป็นสัจธรรมเรื่องรู้ของจิตที่เกิดขึ้นก็เป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นสัจธรรมกับสัจธรรมในเมื่อมาบรรจบกันแล้วจึงเรียกชื่อกันไม่ถูก มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นไป ต, ตรงกับธรรมในธรรมจักกัรกวัตนสูตรที่ว่ายังจินติตสมุทญาติธรรมบังกับพัรรจังนิโรธธรรมมันติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาทําไมจึงว่าอย่างนั้นทําไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้เป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าบหีุพระองค์ดำรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะเหตุว่าจะไปบัญญัติชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรก็บัญญัติไม่ถูกอย่างนั้นเพราะในขณะจิตรู้ของจริงนั้นจะมีแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นมันอยู่เหนือสมมติบัญญัติอะไรที่เราสมมติบัญญัติชื่อมันได้อยู่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่สัจธรรม มันก็เป็นเตรียงสมความรู้จริงเห็นจริงมันอยู่เหนือสมมติบัญญัต้ขอให้ทุกท่านจงสังเกตดูตรงนี้ให้ดีถ้าหากว่ามีภูมิจิตภูมิธรรมปรากฏขึ้นแล้วให้สังเกตดูให้ดีความรู้ธรรมะในขั้นละเอียดของจิตนั้นเป็นไปเพียงจริงใดจริงหนึ่งปรากฏการให้รู้อยู่ตลอดเวลา ไม่มีสิ่งที่เราจะไปสมมติบัญญัติจิตก็นิ่งเด่นอยู่เฉยๆภูมิความรู้ก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆทีนี้มีปัญหาว่าภูมิความรู้อันนั้นมาจากไหนมาจากจิตเจตที่มีปัญญาอันละเอียดเฉียบแหลมสา ม, มารถปรุงความรู้ขึ้นมาความรู้อันนั้นคือปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตตัวที่นิ่งเด่นอยู่นั่นคือตัวพุท ธ, ธผู้รู้ โอรูเท่าเอาพันจึงไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้อะไรขึ้นมาก็เฉยรู้อะไรขึ้นมาก็เฉยเพราะมันเป็นภูมิปัญญาของจิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วจิตจึงไม่หวั่นไหวจึงไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นในขณะนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทา จิตจึงมีปรากฏการอย่างนั้นถ้าว่าจิตของท่านผู้ใดเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลไม่กลับกรอกก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์นี่เป็นสังเกตการทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้ า, าเราทำอย่างนี้ได้บ่อยๆแม้ว่าเราออกจากการปฏิบัตินั่งสมาธิหลับต า, ม, ม, ามามองดูโลกและเข้าสู่สังคม ในเมื่อเราประสบกับอารมณ์ต่างๆในสังคมที่เราจะต้องกระทบกระเทือนหรือรักขิตชอบอยู่นั้นคามรู้สึกของเราจะเพียงว่าสับว่าแต่ผู้ก็สับว่าแต่ผู้คิดสับว่าแต่คิดทาสับว่าแต่ทำอันนี้คือสมาธิระภูมิธรรในอริยมรรคแม้ออกมาจากการนั่งรลับตาสมาธิแล้วสมาธิก็ยังมีปรากฏอยู่ตลอดเวลา คือตัวสติ ท, ที่มีกําลังกล้าและเข้มแข็งนั่นเองยังดูคล้ายๆกับว่าจิตมีความสงบอยู่ตลอดเวลาส่วนที่สงบ ก, ก็ปราบกดอยู่ส่วนที่ออกมาบงการทำงานก็มีปรากดอยู่นี่คือสมาธิตามแนวทางของพระพุทธเจ้าทำสมาธิเป็นแล้วมีภูมิจิตภูมิธรรมสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมแล้ว เราสามารถเอาภูมิธรรมภูมิจิตนั้นมาประกอบประโยชน์ตามมิติทางของชาวโลกตามมิติทางต้องการครองชีพครองบ้านครองเรือน ไ, ได้อย่างสบายาสบายที่อันใดบำเพ็ญดีแล้วปฏิบัติได้ดีแล้วคือว่าอยู่ในขั้นดีตามความนิยมของผู้ปฏิบัติมีภูมิสมาธิสงบดีมีภูมิธรรม ท, ที่เกิดขึ้น เกิดเบื่อหนายต่อครอบครัวเกิดเบื่อหนายต่อโลกไม่เอาไหนไม่อยากจะเข้าสู่สังคมไม่อยากจะทำไม่อยากจะทำประโยชน์แก่ใครๆอยากจะปีโัวหนีไปอยู่ป่าสักคนเดียวอะไรทานองนี้สมาธิอันนันอย่าเพิ่งไปเชื่อให้พิจารณาให้มันรอกก่อน